กังแค่จองตาใจก็สั่งไว้คำที่พูดไปใจ้องคับมาอยากให้คุณไดรู้ไว้ว่าข้อความที่ส่งไปกลันมาจากใจฝากไปตามสายลม คืนนี้ผมนอนไม่หนละคุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้าอยากให้คุณโทรมาราตรีสวัสดิ์พูดชัดๆสักคำว่ารักคืนนี้คงไม่ลำบากเกินไป ใจไหมคุณดาวก็สวยดีลมก็พัดเย็นย่าที่ไว้เองเป็นฉันทุกวันอยากให้คนได้รู้ไว้ ว่าข้อความที่ส่งไปกลั่นมาจากใจฝากไปตามสายลมคุณจะรู้บัางไหมคืนนี้ผมนอนไม่หลับคุณจะรู้ไหมครับหน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้าอยากให้คุณทอมาราตรีสวัสด พูดชัดๆสักคำว่ารักแค่นี้คงไม่ลำบากเกินไปใช่ไหมคุณใช่ไหมคุณ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 พูดชัดๆสักคำว่ารักแค่นี้คงไม่ลำบากเกินไปใช่ไหมคุณใช่ไหมคุณได้ไหมคุณ d i my q u e e